เราก็ได้ตรวจดูนักพระพุทธเจ้าท่านท่านได้ชนะมารต่างๆท่านก็มีเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ท่านต้องเจอกับกับสิ่งที่มาเย่ายวนบ้างสิ่งที่มาท้าทายมาทำลายบ้างห ร, หรือการมลเก่าวก่าตู่ที่ไม่เป็นความจริงบ้าง ท่านท่านก็เจอท่านก็สามารถชนะได้ได้วยหลายหลายวิธีพวกเราละเป็น <c oughs> ชนะได้ไห ม, มเวลาเจอเจออารมณ์กระทบเจอคนมาว่าร้ายเจอคนมาทำร้ายหรือว่าเจอโรคภัยไข้เจ็บเจอ ความพัดพลาดสูญเสียนะเราสามารถผ่านมันได้ไห ม, อมเอามาว่านะชนะชนะคนอื่นชนะสิ่งอื่นเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับชนะใจของเราเองอบางครั้งเราอาจจะไม่เก่งมีฤทธิ์มากเหมือนกับพระพุทธเจ้ามไม่ได้มีปัญญาตอบโต้แย้งเหตุผลกับคนอื่นได้ เป็นธรรมวาทีนะหรืออาจจะไม่ไดนะ้มีบริวานช่วยเหลืออะไรมากมายนะแต่ถ้าเราสามารถชนะใจของเราเองไดนะ้น่าจะเป็นสิ่งที่ที่ประเสริฐกว่านะเพราะจริงมายจริงๆมันมันก็อยู่ในใจของเราเนี่ยแหละนะถ้าเราสามารถชนะ นะมารในใจของเราไดนะ้แม้บางทีเราอาจจะไม่ฉลาดทางโรคเท่ากับคนอื่นเราอาจจะไม่ไดนะ้มีความสามารถมากมายเหกับคนอื่นแต่ถ้าเรารักษาใจนะให้ไม่ทุกข์เป็นมาบ้านนั้นเป็นคนที่ฉลาดนะทางธรรมจริงจริงนะหรือว่าเป็นคนที่ที่ เห็นแล้วว่าคุณค่าที่แท้จริงเนะี่ยคือการที่เราวางใจให้ไม่ทุกข์นะ่ะดีกว่าการไปเอาถูกเอาผิดเอาแพ้เอาชนะเอาเหตุเอาผลนะ่ะเพื่อคัดเพื่อคัดค้านหรือว่าโต้คนอื่นเราได้ใจ ช, ชนะทางโลกมัอนอย่างที่คำภาษิตของไทยนะที่บอกว่าบางที เว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารบัญชีการที่เราวางใจไม่เอาชนะใจเราเป็นพระนะเพราะว่าใจเราปล่อยวางแต่บัญชีถ้าใครคิดแต่จะเอาชนะบัญชีใจมันเรียกว่าใจไม่เป็นกลางแล้วใจก็มุ่ง แต่ผลความสาเร็จ น, ะนี่นใจเป็นมารนนะานก็คือมันไม่สงบนั่นแหละมันมีมันมีความอยากนั่นแหละก็คือใจเป็นมารนนะแต่ใจที่ลกความอยากเียไดนะ้ใจเป็นพระกนะ็นี่แหละคือเรียกว่าแพ้เป็นพระเนาะชนนะเป็นมารนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องแพ้ทุกเรื่องราวหรอกนะ บางทีเราก็สามารถชนะโดยความที่ใจเป็นพระก็ได้นะเรามีความอดทนนะอดทนอดกั้นเอาชนะนะเอาชนะสิ่งที่มากระทบนะบางทีเราก็อดทนอดกั้นกับสิ่งยุ่ยยวนนะทางโลกบ้างนะโลกมันมีอะไรดึงดูดให้เราหลงกับเขาเยอะเนี่ยบางทีเราก็อดทนอดกั้นบ้างอนะ หรือบางทีมีสิ่งที่มากระทบให้หงุดหงิดใจอ่าแล้วก็บางทีเราก็ต้องมีเมตตาให้กับคนที่เขามากระทบกับเราบ้างบางทีเขาก็หลงบางทีเขาก็โมโหบางทีเขาก็ไม่รู้เขาก็เลยมาว่าร้ายมาทําร้ายเราเราก็มีเมตตาให้กับเขาบ้างอ่หรือบางที เรื่องเราบางอย่างเราก็ใช้ปัญญาในการดบเลี่ยงปัญหาในแง่ไม่ไปต่อร้อต่อเทียงไม่ไปโวยวายไม่ไปเอาเหตุคนกับเขาเนี่ยเราก็สามารถชนะหรือว่าผ่านเหตุการณ์พวกนั้นได้เหมือนกั น, เ, นเราก็สามารถชนะแบบเป็นพระก็ได้นะถ้าเรารู้จักวางใจนะไม่ใช่เอาชนะแบบคัดค้านอะไรใครแต่เป็นว่า ถ้าเรารู้รู้กาลเทศะรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําแล้วก็อาจจะสามารถชนะในเรื่องทางโลกได้สามารถเก่งในเรื่องทางโลกได้เหมือนกันพร้อมกับการที่เก่งในการในการเรียกว่าวางใจด้วยก็ได้ดังนั้นบางทีในการปฏิบัติธรรม ดับสำคัญที่สุดคือการวางใจอย่างไรให้เรามีทุกนะวางใจอย่างไรให้เรามีทุกแต่บางทีเราก็อาจจะมีความสามารถความเก่งในทางโลกหรืออาจจะไม่มีอันนั้นเป็นประเด็นรองขึ้นมานะเพราะจริงความรู้ทางโลกวิชาทางโลกเนี่ยมันตายไปนะมันก็เอาไปไม่ได้หรอกนะตายไปแล้วมันก็มันก็ศูนยะ์เปล่านะ จะ ต, ติดไปพบหน้าก็ไม่ใช่ว่าเกิดมามันจะเก่งเลยมันก็ต้องกลับมาเรียนใหม่เหมือนเดิมหรือบางทีวิชาการทางโลกเนี่ยสมมติเราจําทฤษฎีต่างๆตรงนี้ได้อย่างเช่นวิทยาศาสตร์นะในปีนี้พ อ, อนนี้เราเกิดมาใหม่นี่สมมติอีกร้อปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์มันก็ไปไกลแล้วไอ้ความรู้ที่เรามีเนี่ยมันก็ล้าหลังไปแล้วร้อยปีก็ต้องมาเรียนใหม่เหมือนเดิมการแพทย์ก็เหมือนกัน การแพทย์ตอนนี้มันก็มีมีความรู้ในระดับหนึ่งในปัจจุบันแต่อีกร้อยปีข้างหน้ามันก็พัฒนาไปไกลละนะไอ้ความรู้พวกนี้มันมันก็ยังล้าดังอยู่แต่ในการวางใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้นะในการที่เราสังเกตบางทีคนเด็กบางคนเกิดมานะ บางทีเขาก็ใจเย็นโดยโดยโดยเป็นพื้นฐานของเขานะหรือเขาก็เป็นคนฉลาดในการวนะางใจนะโดยพื้นฐานของเขาก็อะไรเพราะว่ามันมีการสะสมมาในในอดีตชาตนะิหรือบางคนมีศรัทธาเนะข้าวัดเข้าวาหรือว่าสนใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุยังไม่น้อยไอ้คนนี้เป็น เป็นบารมีที่สะสมกันมาแต่บางคนแก่ชราแล้วก็ยังไม่สนใจก็ mm. ยังมววเมากับอบ า, ายมุฒยังสนุกกับทางโลกอยู่ก็มนะีอันนี้ก็มันเป็นเรื่องที่มันสามารถติดติดตัวติดใจเราได้ไปจงกว่าเราจะหมดการมินไหวแต่กเกิดนะั่นนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีโดยที่ไม่ไ ม, ไม่มีเหตนะุมันก็มีเหตุนะแหละมนถึงมีนะ มีเหตุที่เกิดจากการสะสมนั่นแหละมันถึงมีปัญญามีเหตุแห่งการกระทําบาทนั่นแหละก็เลยต้องรับวิบากของกรรมอันนี้คือแต่จริงปัญญาพวกนี้ถ้าเรามีสตินะมันจะทำให้เรามีมีปัญญาในการวางใจนันเนี้ยขึ้นมานเพราะถ้าขาดพึ่งสติแล้วเนี่ย แม้เราจะมีปัญญามากขนาดไหนแต่ถ้าเราละลึกไม่ได้เนี่ยก็มาใช้ประโยชน์ไม่ได้นี่ยเราจะมีความรู้หรือว่าเราอาจจะรู้อ่าทฤษฎีอะไรต่างๆแต่ถ้าเราละลึกไม่ได้เนี่ยมันก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เนเหมือนอย่างเหมือนสมมตินงเราเป็นหมอเรารู้ว่ายาอะไรจะรักษาโรคคนไข้ได้แต่ถ้าเราละลึกไม่ได้ว่ายานั้นอยู่ที่ไหน ก็แค่รู้เฉยๆนะเอายามารักษาโรคเขาไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะเหมือนเรารู้จักต้นไม้เราจะรู้แค่ว่าต้นไม้นี้สมมติรนะักษาเบาหวานได้แต่เราก็ไม่ได้เห็นต้นไม้นั้นต้นไม้นั้นไม่อยู่กับเรามันก็ออกมารักษาไม่ได้อันนั้นความรู้นะมันก็ดนะีแต่สิ่งที่ดีคือต้องระลึกให้ได้ว่า จะเอามาใช้อย่างไรนะหรือเอามาใช้ให้ทันท่วงทีอย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่เราเลยต้องฝึกสติให้มันให้มันชำนานนะให้มันระลึกได้ของมันเองนั่นแหละถึงจะดีไม่ใช่ว่าโกรธไปแล้วนะค่อยมาพิจารณาโทษของความโกรธนะทุกข์กหนักแล้วค่อยมาพิจนารณาโทษของความทุกข์ถึงจะคลายได้แต่ถ้าเราฝึกให้สติมันเกิดขึ้นแบบ เป็นอัตโนมัติหรือว่าเกิดขึ้นได้ของมันเองเนี่ยมันไม่ต้องบอกไม่ต้องฟั่งนะมันเกิดของมันเองนะเมื่อมันหลงเมื่อไรสติมันรู้ของมันเองเมื่อมันทุกข์เมื่อไรสติมันรู้ของมันเองนี่คือเราต้องฝึกจนทั่งมันมันเป็นเองของมันเราเคลื่อนกายเมื่อไรสติมันก็รู้ของมันเองไม่ต้องไปไปกําหนดไม่ต้องไปกําหนดไม่ต้องไปตั้งใจมาก เพื่อนง่ายๆมันก็รู้ได้นะบางทีนักปฏิบัติก็บางทีก็หลงคิดว่าต้องทําแบบแบบต้องตั้งใจมากๆต้องกําหนดมากๆนะมันถึงจะรู้หรือว่ามันถึงจะไม่หลงนะแต่ที่จริงมันก็เป็นการหลงอย่างหนึ่งเป็นการหลงหลงอยากจะรูนะ้หลงไม่อยากจะหลงเป็นการหลงที่ซ้อนความหลงเข้าไปนะเป็นการไป ตั้งใจมากเกินไปนะไปกาไปเพ่งจ้องมากเกินไปแต่ถ้าบางทีที่จริงการรู้สึกตัวมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่เราเกาแค่เราจับแค่ลมกระทบแค่หายใจแค่กระดิก น, ดนิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันก็รู้เข้ามนได้เองแล้วแหละนะถ้าเราไม่ลืมเนื้อเติมตัวไปคิดเรื่องอื่นอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็รู้ได้ง่าย ถึงนิ้วนิดนึงเนี่ยมันก็รู้แล้วนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะดมกระทบเนี่ยมันก็รู้แล้วนะมนไมไ่ยากยุงกัดเนี่ยก็รู้แล้วนะรู้แล้วว่ามันมีอะไรมากัดรู้ทันแล้วใจโดยรู้สึกแบบไหนนะมันไม่ได้ยากนะยกมือก็เหมือนกันยกเบาๆนี่ก็รู้ได้ไม่จาเป็นต้องยกแรงนะนะหรือว่าเราทานข้าวเนี่ยหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็รู้ของมันได้ เพื่อนมือเข้าเอามือออกเดี่ยวซ้ายแรมขว า, า, าพระเจ้าผู้สนัดอุจระปัตตวะอนะไรน่ก็รู้ได้มันคือถ้าใจมีสติอยู่กับการกระทํามนะี่มันก็จะรู้ของมเองมไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่สิ่งที่ต้องรู้ทันนะเดี๋ยวตอนที่มันหลงมันเผลอไปนะใจมัน้อยไปเนะี่ย ฝึกสติให้รู้ทันว่าอ๋อใจลอยคือแบบนี้เนี่ยมันเหม่อไปเนี่ยเป็นแบบนี้เนาะหรือมันจมกับความคิดเป็นแบบนี้เ น, ะนาะความคิดมาชว น, นความคิดเนี่ยเหมือนคล้ายๆเหมือนเราติดเพื่อนนะเด็กๆ เ, เนี่ยติดเพื่อนเพื่อนมาชวนไปไหนเนี่ยก็ไปกับเขาเนาีเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีสตินี่ยเราจะเป็นเป็นเด็กที่ เหมือนเด็กติดเพื่อนเขาชวนไปไงก็จะไปชวนไปดีก็ไปชวนไปไม่ดีก็ไปไม่รู้จักไม่รู้จักปฏิเสธอันนี้เราเราต้องเป็นนายเหนือความคิดความคิดจะมาชวนก็เห็นมันความคิดจะมารอก็เห็นมันเช่นมันชวนทําดีเนี่ยก็ต้องเห็นมันเห็นแล้วก็ทำถ้ามันดีก็ทำํทำทําบุญ ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็คิดขึ้นมาแล้วก็มีสติรู้ก่อนแล้วก็ทําตามมันก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทําตามมันนะบางทีศรัท ธ, ธามากนะก็ทำแบบหลงงมงายก็มีนะเห็นว่าเขาว่าดีเราก็เชื่อว่าดีหมดไม่ไม่ไมไมฉลาดนะก็มีนะบางคนทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวนะเป็นโดนดอกก็มีนะ ศรัทธานำหน้าก็อาจจะสู่หายนะก็ได้แต่ถ้าศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่ถูกในแนวทางที่ถูกแล้วก็ก็ไปสู่นะก็ไปสู่ที่ดีก็ได้เหมือนกันแะแต่มันก็แต่ถ้าเรามีปัญญามาช่วยกำกับเ่อยช่วยให้เรารู้จักแย่เยได้ด้วยบางทีแม้แต่เรื่องที่ดีนะนะมีศรัทธานะชอบช่วยเหลือคนนั่นคนนี้นะ เราก็ต้องรู้จักการรัเทศะรู้จับอพอสมควรหรือมากเกินไปบางทีเรารักใครพัถนาดีกับใครบางทีไปช่วยเขามากเกินไปนะบางทีาอาจจะทำให้เขาไม่รู้จักช่วยตัวเองก็ได้นะหรือบางคนนะเขาไปช่วยเขามากเกินไปก็าอาจจะราคาญก็ได้นะมาจู้จี้จุกจิกมากเกินไปนะใช่อยู่เรามีศรัทธาเรามี จิตอยากจะช่วยเขาแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันพอแค่ไหนเนี่ยพวนนิสติจะทำให้เรารู้นะส่วนหนึ่งมันก็ทำด้วยความรู้ตัวได้แหละนะไม่ใําทำด้วยความหลงนะเราทำด้วยความรู้ตัวเนี่ยมันจะพอดีพอดีนะพอดีหมายถึงว่ากิริยามารยาทมันก็ดีนะจังหวะการรเทศะมันก็ดีอันนี้สติจะช่วยให้เราทำแบบพอดีพอดีนะ พอดีแต่อาจจะไม่ถูกใจคนอื่นทั้งหมดหรอกแต่มันก็อย่างน้อยเราก็ไม่ขาดสตินะเช่ น, นหรือบางทีเราทําไปแล้วไม่ถูกใจคนอื่นอย่น้อยเรามีสติอยู่เขากระทบมาด้านลบเราก็วางใจได้ไม่เป็นไรช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่เขายังว่าเราอีก เ, ออเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจหรือบางทีช่วยเหลือเขาแล้วเขาชมเรานะ เราก็หลงก็ได้ถ้าเราขาดสติหลงกับคําชมหรือว่าติดใจกับคําชมก็ทำความดีด้วยความหวังคํามชมก็มีก็เรียกว่าขาดสติเหมือนกันแต่ถ้าด้านบวกเข้ามาเรารู้ทันอันนี้ก็กวางมันได้แต่นลบเข้ามาในชีวิตเราก็รู้ทันได้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นการชนะใจชนะใจของเราเองเนะอฝึกสตินี่ฝึกภาวนานี่ อย่าไปแข่งกับใครนะแม้แต่ในเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันก็ดีนะสำนักที่ปฏิบัติด้วยกันก็ดีหรือได้ยินได้ฟังใครพูดอย่างไรก็ดีนะก็ฟังหูไหว้หูนะเขาพูดมาจะจริงไม่จริงนะเราก็อย่าเราก็ไม่รู้เนาะฟังหูไว้หูไว้แต่เรามาพัฒนาที่ตัวเรานะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะถ้าจะเปรียบเทียบบ้างก็เปรียบเทียบกับตัวเราเองนี่แหละว่า ก่อนปฏิบัติเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนปฏิบัติแล้วมันมันทุกข์น้อยลงไหมหรือมันทุกข์มากขึ้นก่อนปฏิบัติมันเคยเครียดขนาดไหนปฏิบัติแล้วมันเครียดมากกว่าเก่าหรือว่ามันเครียดน้อยกว่าเก่านะบางคนปฏิบัติผิดนะอก่อนปฏิบัตินี่ไม่เค่อยทุกข์นะปฏิบัติแล้วกับทุกข์หนักนบางคนก่อนปฏิบัตินี่ก็ มันก็เครียดอยู่บ้างแต่ยิ่งปฏิบัตินี้ริ่งเครียดหนักก็มีเ <c oughs> พราะอะไรเพราะปฏิบัติผิดนะ <c oughs> ปฏิบัติแล้วบางใจไม่ไม่เป็นนะก็ทุกข์นะหรือว่าอยากจะได้อยากจะเอาก็เครียดนะหรือบางคนเพราะความคาดหวังเกินไปนะก็เลยทุกข์เช่นเราก็อยู่กับโลกนะเราก็อยู่ได้เราก็รู้ว่าคนมันก็มีดีไม่ดีสังคมก็มี มีดีไม่ดีแต่พอมาปฏิบัติธรรมมาอยู่กับญาติธรรมมาอยู่กับวัดก็กลับเครียดเรื่องกสังคมของในวัดนะก็วางใจไม่ได้แต่ที่เราจะมองว่ามันก็ธรรมดาเนาะที่ไหนมีคนมารวมกันเยอะๆอก็ย่อมมีทั้งคนดีคนไม่ดีก็ย่อมมีทั้งคนรู้คนไม่รู้ถ้าเราวางใจแบบนี้นนะมันก็ อืเราจะไปเอาถูกเผิดกับคนอื่นทําไมเราก็ดูใจของเรานี่แหละนะแต่อย่างน้อยสังคมอที่ยังมีการปฏิบัติอยู่อย่างน้อยก็ทําให้เราก็มีวิธีที่จะออกจากความทุกข์นะอืมนะถ้าเราวางใจเป็นเราปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะทุกข์น้อยลงนะมันก็จะทุกข์น้อยลงมันก็จะเครียดนะน้อยลงนะ มันก็จะมีความสุขง่ายขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นอะเหมือนเรามาปฏิบัติธรรมบางทีเนะี่ยเราทานอาหารสองมื้อเนี่ยเราก็อยู่ได้แลนะ้วเนาะอืมแต่ถ้าคนทางโลกเนี่ยบางทีก็ต้องทานสามมือ้อเหรือต้องไปหาร้านอร่อยอร่อยทานหากาแฟแก้วจะเป็นน้อยทานนะเอเพราะว่ากิ่นมันจะหอมกว่าอกาแฟแก้วแล้วติดบาทเลยนะมัน ก็สแสวงหาไปน ะ, สะแสวงหาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ตัวเองสแสวงหาเนี่ยทาให้ตัวเองไม่มีเวลาทําอย่างอื่นเลยมันก็สแสวงหาความสุขทางโลกนะแต่พอเราปฏิบัติทำแล้วบางทีความสุขทางโลกนี้เราสแสวงหาแค่พอพอจําเป็นพอใช้ในการดํานรงชีวิตนะแต่ไม่ต้องสแสวงหาเกินไปกว่า น, นั้นนะชีวิตเราก็ ก็ง่ายขึ้นเสื้อผ้าแต่ก่อนเคยตามแฟชั่นแต่ก่อนเคยต้องสวยต้องเทต้องเก๋ตัวใครเราใส่ง่ายๆนี่เราก็เห็นแล้ว่าอ้อเสื้อผ้าเราใส่แค่กันยุงกัดเฉยๆเนาะใส่แค่อให้มันหายหนาวเนาะน ะ, ะใส่แค่ไม่ให้ บางคนเราซื้อเสื้อผ้าแพงนะแต่ใส่ไม่เป็นประโยชน์นะใส่แล้วก็เ อ, อไม่ได้ปกปิดเอาไว้เยวะเอันนี้คือความละอายเลยเ อ, อใส่เสื้อผ้าให้ให้คนเขาเห็นเราละอายมากกว่าก็มีมันก็เนี่ยแ่ะเราก็ใช้เกิดประโยชน์ตรงนี้เ อ, อมันก็ดีนะอาจารย์เปสานเล่าให้ฟังอยู่หนึ่งมีมีฝรั่งเ อ, อมีฝรั่งหนึ่งเขาคู่หนึ่งแต่มีภรรยานะ เขาเป็นหนี้สินหลายแสนหลายแสนดอลลารา์เนี่ยคนอเมริกรันหลายแสนดอลลาร์เขาก็ทําทงานแบบคนทะั่วไปแหละทํางานหนักแต่ก็ยังเป็นหนี้อ่าทนี้เขาก็ได้ไอเดียใหม่เขาบอกลองดูลองแบบนี้เขาเขาจะลองให้ในบ้านเขาเนี่ยมีของแค่ร้อยชิ้นอ่า คือทุกอย่างในสมบัติของเขาขอเพียงแค่ร้อยชิ้นสมมติเสื่อเสื่อก็สมมติหนึ่งตัวนี่ก็1ชิ้นช้อนห น, นึ่งคันนี่ก็1ชิ้นต่อมหนึ่งคันก็อีกหนึ่งชิ้นคือรวมทั้งหมดอะ่ะเขาจะเลือกแต่สิ่งที่จําเป็นในชีวิตเขาสักร้อยชิ้นก็พอแล้แต่ก่อนมีรถนะก็มีรถด้วยมีจักรยานด้วยก็เอารถยนต์ขายไปเอาไว้แต่จักรยานประมาณนะั้น รวมแล้วร้อยชินในครอบครัวนะทั้งสามีภรรยาเขาบอกเขาก็พอเขาเอาของที่ไม่จำเป็นหรือของที่มันเกินร้อยชินเนี่ยออกไปจากชีวิตเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลในชีวิตของเขาเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะเลยเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อใหม่พอละมีแค่นี้ก็พอของใช้ต่างก็ไม่ต้องซื้อใหม่พอละปรากฏว่า เขาทำแบบนี้ไม่ถึงไม่ถึงปีนะหนี้ที่เคยมีเป็นเป็นแสนนี่หมดไป <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ทำงานหนักกว่กวาเก่าด้วยนะแต่ก่อนนี้ทำงานทั้งวันนะทำงานบางทีทั้งคืนด้วยนะแต่ตอนนี้ทำงานแค่แค่ครึ่งวันนะแต่สามารถปลดหนี้สินหนึ่งแสบาทได้เพิ่มหนึ่งแสนนามด้าได้ Medal. ภายในเวลาหนึ่งปีนะก็ก็ทำให้แบบ แล้วก็ตัวเองก็มีเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวมีเวลาทําอย่างอื่นอีกมากมายเนี่ยเพียงแค่เราใช้น้อยหรือว่ากินน้อยลงเนี่ยเราก็มีเวลาที่ที่ได้ทําสิ่งดีๆหรือว่าไม่ต้องไปนดิ้นดนหาหาสิ่งที่มันวุ่นวายมากในชีวิตนี่ก็สบายเลยก็เป็นตัวอย่างแต่ามาว่ามือนก็เหมือนวิธีของพระนะบางทีเรารายรับ ไม่ได้มีอะไรมากมายในเรื่องของการได้รับมาอาจจะเป็นปัจจัยหรือว่าสิ่งของภายนอกแต่เมื่อมันไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรมากมายเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่ทางโลกเนี่ยได้เงินเป็นเงินเดือนเป็นห้าหมื่นเป็นแสนเนียบางทีก็ไม่พอใช่ไหมรายจ่ายมันเยอะเหลือเกิน <c oughs> ในจะกินในจะเที่ยวในจะเสื้อผ้าอะไรก็ไม่พอสักทีแต่ถ้าเราดอมดูกันเนี้บางทีมันมันสบายแต่ชีวิตเรา แล้วก็มีที่จริงก็มีอีกครอบครัวหนึ่งนะก็แต่ครอบครัว น, นี้เป็นอาจจะเศรษฐีสักหน่อยนะเป็นนายธนาคารไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินนะเขาก็ทำคล้ายๆกันนะแต่เนื่องจากเขาก็อาจจะเป็นเศรษฐีหน่อยไม่ได้เป็นหนี้สินเขาเลยเอานี้เอาของในบ้านหกร้อยชิ้น <c oughs> นับทุกอย่างให้รวมเหลือหกร้อยชิ้นอ่เอเขาก็ ก็สึกแบบยิ่งเป็นเศรษฐีมากกวเก่าก็คือทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้เราได้พิพจารณาแล้วสมมุติเห้เราจะเราจะซื้อเสื้อตัวใหม่มาเนี่ยเสื้อตัวนี้มันก็ต้องเกินเป็นหกร้อยหนึ่งชิ้นอันนั้นก่อนที่จะซื้อเสื้อตัวใหม่ต้องเอาเสื้อตัวเก่าออกไปก่อน <1> <1> หนึ่งชิ้นนะหรือนะหรือบางทีใครเอาของมาฝากนี่นะเขาก็พิจารณานะจะรับหรือไม่รับ เพราะว่าถ้ามันรับมามันจะเกินที่เขาตั้งใจนะะังนั้นมีคนเอาของฝากมาบางทีเขาก็ปฏิเสธเหมือนกันของนี้ไม่จําเป็นเลยของนี้ไม่ได้ดีกว่ากว่าที่ตัวเองมีก็ก็ไม่เอานะหรือถ้ามันมีดีกว่าของที่ตัวเองมีอยู่ก็ต้องสละของที่ตัวเองมีอยู่ก่อนแล้วก็รับของคนอื่นมาแทนนะชีวิตมันก็ก็เรียกว่าเออดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นอะไรที่สิ่งที่ไม่จําเป็นนะ แต่คนเราสมัยนี้สิ่งจําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยอยากได้หมดนั่นแหละใช่ไหมเราไปห้างาไปไหนอันนี้ไม่รู้จําเป็นหรือไม่จำเป็นอะ่ะรู้แต่ว่าอยากได้อยากได้ก็ซื้อน่ะใช่ไหมอาหารก็เหมือนกันไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อ่ะแต่น่ากินน่ากินก็ซื้อมากินน่ะใช่ไหมฮะอ่ของเคื่อรื่อยก็เหมือนกันไม่รู้เออจาเป็นได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ซื้อไปก่อนเออเอามาเียร์ลึกไว้ที่ไหนก็ไม่รู้อืมแต่ถ้าซื้อฝากใครบ้างมันก็ไม่เป็นไรตามกาลเทศะไปนะอืมแต่บางทีแต่ถ้าชีวิตเรามันมันมีมันเรารู้ว่าคุณค่าจริงๆมันคืออะไรเนาะอืมแต่มาว่าแต่อย่างน้อยคุณค่าในวัตถุสิ่งของมันก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่แต่ถ้าเราเห็นคุณค่าของการวางใจนี่แหละจริงอย่างอื่นไม่ไม่จาเป็น เท่ากับการที่เราวางใจได้ถูกหรอกนะถ้าเราแม้เราเป็นคนจนนะถ้าเราก็ยังสามารถมีความสุขกับการที่ได้มีชีวิตยอยู่หรือว่าเราไม่มีเงินทำบุญแต่เราก็ยังมีแรงกายของเราในการทำประโยชน์อยู่อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ที่มีคุณค่ามากแล้วสมัยก่อนนะั้นสมัยพุทธกาลนะมี มีเศษมีเศษชีคนหนึ่งนะก็ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากนะก็เอาเงินเอาทองเอาสมบัติต่างๆไปถวายพระพุทธเจ้าเยอะๆมากมายน ะ, ะขณะที่กำลังลขนขบวนเอาเงินทองใส่เกวียนนะเดินไปพอดีเห็นหญิงชราคนหนึ่งยากจนหิวโหว ย, ยนะพอมแห้งหิวโหวยอก็เกิดความสงสาร นะก็เลยแบ่งแบ่งกล้วยนะสามลูกให้กับยิงชาราไว้กินข้างทางนะเงินทองต่างๆก็เอาผลไปถวายพระพุทธเจ้านะก็ไปถึงถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ใจก็อยากจะฟังคําชมจากพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็ก็คงไม่ได้รับเงินแบบรับแบบนั้นแหละแต่ก็คงมีใครมาจัดการไปใช้ไปเกิดประโยชน์นะอืแต่เศรษฐีเนี่ยก็หวังจะได้คําชมจากพระพุทธเจ้า ก็นั่งร อ, อว่าพระเจ้าจะเทศหรือจะชมอะไรก็พระเจ้าก็เงียบเฉยต่อมาหญิงชราคนนั้นก็เดินเข้ามาหาพระเจ้าเหมือนกันนะก็เขาอาจจะคิดว่าตัวเองก็เคยได้ยินเรื่องราวพระเจ้ามีศรัทธากับพระเจ้าแต่ตัวเองเป็นคนยากจนไม่แต่ข้าวปลาอาหารจะกินก็ยังไม่ค่อยมีวันนี้โชคดีได้กล้วยมาตามใบนะก็เกิดศรัทธา เอากล้วยนะมาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่าน ส, นสรรเส ร, ริญหญิงฉลาดคนนั้นว่าโอ้ท่านทำบุญด้วศรัทธาจริงๆไม่ได้ทำบุญด้วยการหวังคำชมจากเราพระเจ้า ส, สรรเส ร, ริญคนที่ทำทาบุญแบบนี้มากกว่าด้วยซ้ำ อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่บางทีนี่ยถ้าเราทำได้ใจนะริงใดที่เราทำได้ใจมันออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ มันออกมาจากใจที่ไม่หวังอะไรตอบแทนเนี่ยมันมันจะมีค่ามากไม่แต่การปฏิบัติภาวานาของเราเม่อ น, นันเราทำแบบก็ทาแบบทำด้วยใจนะบริสุทธิ์ทำเป็นพุทธบูชานะถวายพระพุทธเจ้าหรือถวายตุบาอาจารย์หรือว่าถวายให้กับธรรมะนะก็ได้ถ้าเราทำแบบนะ้นมันมีแต่แํารมนสละนะละความเห็นแก่ตัวสละลนะ ความยึดมั่นถือมั่นในตัวของเราเองเนี่ยมันสลาออกไปเนี่ยนะไม่ต้องหวังว่าตูบาอาจารย์จะชมไหมพระพุทธเจ้าจะรับรู้หรือเปล่านะจะได้ธรรมะอะไรนะไม่ต้องหวังยนะจิตมันสบายนะไม่ต้องหวังใครจะชมด้วยจิตมันสบายเราทําเพื่อสละตัวตนทําเพื่อสละกิเลสเนี่ยปฏิบัติวาวนาถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะดีมาก ที่จริงแม้แต่ถ้าเราทําทานแล้วเราศึาไม่ต้องหวังว่าจะได้ผลเป็นสวรรค์เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราทําไปจิตมันสบายนะแต่บางคนทําบุญทำทานแล้วก็หวังหวังชาติหน้าจะได้เกิดสุขสบายนะหวังมีเงินมีทองนะหวังประสบความสำเร็จในทางโลกอะไรนะทำแล้วยังหวังผลเนี่ยบุญมันน้อยแต่ถ้าเราทําด้วยความศึกาจริงๆเิงนะบุญมันเยอะ เห็นใครเขาเดือดร้อนก็มีปัญหาก็มาปรึกษาหรือว่าเขามาบ่นนะเออเราก็สดระเวลาฟังเขาสักหน่อยเออไม่ต้องไปหวังว่าแต่มไม่ต้องมาหวังเราจะต้องได้อะไรจากเขาไหมก็แค่ให้เวลากับเขาในการฟังช่วยให้เขาระบายความทุกข์เนี่ยเราไม่คิดถึงตัวเองว่าเออเราต้องมาเหนื่อยฟังคนอื่นเราเสียเวลาทามาหา ก, กินเออ เราไม่ได้คิดถึงตัวเองเราคิดถึงเขาที่ดได้รบายความทุกข์เนี่ยนะเขาก็รบายความทุกข์เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ทุกข์ด้วยเราก็ได้ทำหน้าที่นะทำโดยความไม่หวังผลเนี่ยมันจะมีเมตตาออกมาเองนะแต่ถ้าเราคิดถึงตัวเราเองเป็นที่ตั้งเนี่ยเราก็จะคิดถึงกำไรขาดทุนนะของเราเองจิตเราก็ไม่สงบนะเมตตก็ไม่เกิดขึ้นเนะี่ยเราก็ต้องฝึก บางทีพวกนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราเป็นการฝึกภาวน า, าได้ทั้งหมดเลยในชีวิตจริงของเราอื ม, อมเราทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการภาวน า, าหมดเราช่วยเหลือใครนะเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีคนชมมีคนว่าหรือเปล่าคนที่เข้าได้เขาอาจจะชมเราคนที่เขาไม่ได้ก็อาจจะตําหนิเราก็เป็นเรื่องธรรมดาอไม่มีใครพ้นคานินทาคําสรรเสริญนะ พระพุทธเจ้าท่านทําทําดีบริสุทธิ์ขนาดไหนก็ยังมีคนนินทานะเราไม่ต้องไปกังวลหรอกนะทําไปแล้วกลัวคนจะว่าไม่ดีกลัวจะไม่ยุติธรรมกลัวจะอะไรต่างๆถ้าเรามีความกลัวเนี่ยบางทีไม่ได้ทําอะไรหรอกกลนะัวเขาจะว่าไม่ดีกลนะัวเขาจะตําหนินั่นตำหนินี้ถ้าเรามีแต่ความกลัวนะจะไม่ได้ทําดีเลยนะเหมือนบางคน ไม่กล้ามาภาวนาครับกลัวคนอื่นเขามองแปรนะใช่ไหมเออหรือเรามาปฏิบัติธรรมก็กลัวคนอื่นเขามองใยายคนนี้สนใจเป็นทุกข์เนาะพง ม, มีปัญหามั่งเลยมาปฏิบททัติธรรมใช่ไหมถ้าเรากลัวคํานินทาแบบนั้นเนาคงไม่ได้ผมไม่ได้มาทําดีอะไรเลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่มั่นคงในเ อ, อเห็นว่าสิ่งที่เราทํามันดีแล้วนะมั่นคงแล้วนะมันดีงามแล้วทําเลยนะ เรื่องต่างตเางเาะเนี้มันก็มันเป็นเรื่องของการวางใจของเราเนาะวางใจเราจะบุดจากโลคได้บุดจากวัตถุส่งสารได้เราก็ต้องบางทีก็ต้องทวนกะแสความเคยชินที่ทางโลกเขามีนะทางโลกเขาเห็นค่านิยมแบบนี้เป็นความดีงามนะเราเห็นว่ามันก็มีค่านิยมที่มันดีงามที่เหนือกว่าตรงนั้นก็มีบาทีก็ต้องวนะทวนกะแสทวนกะแสสังคม นะส่วนกระแสค้านิยมของค น, คนทั่วไปแต่มาเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็ทวนกันอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าไม่ไม่ได้หวังความสําเร็จทางโลกเป็นหลักนะเหมือนคนทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ครา้นี้เราก็ต้องทวนกระแสภายในของเราด้วยกระแสกิเลส <c ười> กิเลสเนี่ยมันมันอยู่ในใจนะกรนะแสความคิดกระแสกิเลสเนี่ยทวนเอามาให้ได้เอนะ มันขี้เกียจนะเราทวนความขี้เกียจได้ไหมนะมันง่วงนะเราค้นจากความง่วงได้ไหมอะมันคิดเราแค่เห็นว่ามันคิดได้ไหมนอมันโกรธนะเราก็ออกฉากมาจากความโกรธเห็นความโกรธได้ไหมทวนมันออกมาเลยนะมันอยู่คนละมุมกันนะอยู่คนละมุมกันมันอาจจะมีอยู่นะไม่ได้ปฏิเสธเขา เราไม่ไปอยู่กับเขาไปแค่นั้นแหละนะเราเราก็ออกมาออกมาดูออกม า, ออกมาหเห็นอยู่ต่างหากนะออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวนี่แหละนะจากการรู้ทันกิเลสด้วยใจกลางๆด้วยใจซื่อๆก็ได้หรือในการกลับมารู้สึกว่ากายกําลังทําอะไรนี่ก็ได้นะอันนี้คือเราทวนออกมาลนะจิตเป็นปกติแล้วนะจิตประพัฒน์สอนนะ จิตมันเกิดความรู้ตื่นเบิกบานแล้วอันนี้ทวนบ่อยๆนะเราทวนความเคยชินนะความเคยชินของของใจบ่อยๆนะแต่ก็แต่ไอที่มันเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยนี่มันก็ต่างหากนะอนะเช่นคนเรามันมีธาตุแตกต่างกันนะบางคนว่องไวกระฉับกระเฉงบางคนนิ่งๆนะบางคนร้อนแรงอะไรเนะี้ยมัน ไอธาตุนี่มันมันเป็นที่อุบัติใจนะมันอาจจะเป็นบางคนชอบทำอะไรเร็วบางคนชอบทำาไรช้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ทำอะไรช้าจะมีสติดีกว่าคนทำอะไรเร็วนะบางทีก็ไม่ใช่นะบางคนดูภายนอกนิ่งๆก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะมีสติดีกว่าคนที่ภายนอกดุกจิบุกๆหรือว่าเคลืๆๆๆ่อนไหวรวดเร็วก็ได้มันอยู่ที่ใจสำคัญกว่า นั้นธรรมะนี่เราไม่สามารถตัดสินใครได้ที่ภายนอก เ, อ เ, อเห็นคนนี้สารวมดีแต่บางทีจิตใจคิดลามกก็ได้ฟุ้งซ่านอยู่ก็มีแต่บางคนเ็อาจจะเคลื่อนไหวเร็วแต่เขาก็รู้ตัวในการเคลื่อนไหวตื่นตัวอยู่ก็ดีาบางทีเนี่ยภายนอกนเราไม่สามารถดูได้แต่ภายในใจ เ, นเราถึงจะรู้เองคนอื่นเขาจะแสดงแบบไหนเราก็ไม่รู้นะ แต่เรารู้ได้ที่ตัวของเราเองออ น, นั่นแหละเพราะนั้นอย่าจิตอย่าตัดสินคนอื่นที่ภายนอกนะอเพราะเราไม่รู้ใจเขาหรอกว่าใจเขาบางแบบไหนใจเขาเป็นอย่างไรนะแล้วก็อย่าตัดสินตนเองโดยการไปเทียบกับคนอื่นบางทีเราไปเทียบกับคนอื่นแล้วเราก็จะทุกข์เราอย่าไปตัดสินตนเองในการเทียบคนอื่น ให้ถ้าเราจะตัดสินตันเองก็คือเทียบกับอดีตอนะแต่ก่อนมันเคยหลงมากตอนนี้หลงน้อยลงไหมนะแต่ก่อนมันเคยทุกมากตอนนี้มันทุกหลงไหมนะอันนี้นะแต่แต่ก็ไม่ให้ตัดสินแบบทําให้ทุกซ้ำเก่าเก่านะตัดสินเพื่อให้เป็นคล้ายๆเกณฑ์วัดว่าชีวิต mm hmm. เรามันต้องพัฒนาสิเนะพัฒนาให้ออกจากความทุกข์สินะ ภาวนาไปก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่ไปคาดหวังกันนะหมายถึงว่าแต่เรามีเป้ามี goal ที่จะเดินทางไปอนะก็คือพัฒนาให้ออกจากความทุกข์ไปเรื่อยๆนะพัฒนาให้รู้ทันกิเลสใอ้เยอะขึ้ น, นเรื่อยๆนะพัฒนาสติให้มันเร็วขึ้ น, นเรื่อยๆเนอะนะแต่ถ้าบางช่วงบังคับไม่ได้มันเป็นไปของมันเองเราก็ต้องวางใจนะอื เราอยากจะให้นิสติมันดีแต่บางทีก็ง่วงเพราะวางใจมันง่วงของมันเองเนาะอ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเราเองบุญเสมออ่อย่าไปปิดแต่จัดการคนอื่นไม่แต่ใจเราเองยังจัดการไม่ได้เลยถ้าเราวางใจให้ถูกนะเราก็จะไม่ปลุกเพราะใจของเราเองหรือเพราะคนอื่นเนาะวันนี้ก็ วันสุดท้ายแล้วเนาะพวกนี้ก็ต้องกลับไปที่บ้านนะหรือบางคนต้องไปทำงานหรือบางคนกอาจจะไปวัดนะ ม, มีอะไรนะมีอะไรได้เปลียดมีอะไรรักถามไหมนะก่อนจะพรนี้เช้าก็ต้องไปกันละ ไงป้าๆข้างหลังดีนะอ่ดีนะอากาศก็ดีนะช่วงนี้เลือปุตตุสปายะฝนว่าจะตกก็ไม่ตกอ่าคึ้มๆดีอก็เลยปุตตุสปายะอืาอาหารก็สปายะอืก็ไม่ไม่น้อยไม่มากเกินไปนะดีอือ อาหารก็ดีบุคคนก็พอได้อ ก, ก็ดีก็ก็ได้เยอะก็ถ้าฝน ไ, ไม่ตกก็คงสิบตัวคนก็คงได้แต่ถ้าฝนตกมันอาจจะ ที่เดินที่อะไร อ, า, อาจจะยากนะอืมแต่คือว่าเราไม่ได้มาในช่วงมีนาเมษาที่นี่ก็ร้อนเหมือนกันนะแดดเที่ยงในก็ร้อนเหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าที่อื่นหนึ่งกรุงเทพยังพอมีต้นไม้มีอะไรบ้างแต่ก็แต่เราก็ถือม า, มาช่วง น, นี้ไม่ร้อนมากมีแค่บางช่วงที่แดดออกฝนก็ไม่ตกมากยุงก็ไม่มากฝนตกมากที่นี่ก็ยุงเยอะนะ ก็รอบๆนี่มีหญ้ามีบ่อนะ้านี่ก็ยุงเยอะเหมือนกันทำวัดนี่บางทียุง <c oughs> ยุงแต่ก็เห็นเลยว่าอะไรนะสถานสถานที่นะไม่มีที่ไหนดีตลอดทั้งปีหรอก <c oughs> ใช่ไหมเอออย่างตอนนี้มันก็ดีช่วงนี้เออถ้าฝนตกมากๆยุงก็เยอะ อะไรัก็ธรรมดาอย่างสุกโตเองนะเพราะว่าอากาศดีนะแต่บางคนไปเจอหน้าหนาวที่สุกโตก็ถอยเหมือนกันหนาวเกินไปนะบางคนไปเจอหน้าฝนโอ้ชื้นมากเกินไปอยู่นะก็มันไม่ได้ดีตลอดทั้งปีหรอกนะอืมมันก็แต่มาว่ามันก็มันก็ดีนะในแง่ว่าเราเห็นในความไม่สมบูรณ์แบบออืะในความไม่สมบูรณ์แบบมันก็มี มันมันก็แสดงให้เราไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่คนสมัยนี้มันแต่เทคโนโลยีสมัยนี้มันพยายามที่จะทำให้มันทาให้มันแบบดีตลอดนะอย่างแอร์แบบนี้เนาะมันก็ปรับได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะที่ไหนมันจะร้อนที่ไหนมันจะหนาวแล้วก็จะปรับแอร์มันอุ่นขึ้นให้มันหนาวขึ้นมันคิดถึงแบบประสิทธิภาพแบบ แบบดีตลอดนะพอคนอยู่กับไอ้พวกที่มันคล้ายๆสั่งได้ตับได้เนี่ยจิตของเรามันก็จะมันก็จะคิดว่ามันต้องสั่งได้คนอื่นต้องสั่งได้สิจิตก็สั่งได้เพราะมันเคยชินกับการสั่งได้ใช่ไหมฮะอืมอมืนะบางทีเทคโนโลยีมันก็ทําให้เราเราหลงโลกแบบนี้แหละแต่ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยเราจะอ้อยุงกัดเนาะอ่ก็ แต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้อยู่มองกัดนี่แย่อยู่ในวัดนี่ก็ยังพอได้นะแต่บางคนก็จะคิดไปสนนั้นน่าจะทำมุงรวดพร้อมหมดเนาะอะไรนะ <c oughs> น่าจะติดแอร์เนาะท่านหน้าตอนมา ก, กนะบางทีสถานที่ภาวนาก็เลยกลายเป็นเลยป้องกันไปหมดเลยกม็มีแต่บางทีแต่บางทีที่เขาอาจจะเน้น ความสบายก็อาจจะทําแบบนั้นแต่บางทีถ้อยู่กับธรรมชาติมากบางทีก็มันก็ได้เรียนรู้นะอืมตัวอย่างาสมาตอ น, นแรกๆไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกนะนานาชาติโคยุงที่สวนโมก น, นาชาติมันดุมากเลยนะ <c oughs> ตัวก็ใหญ่เคยไปไนหะมทําสมาธนะินั่งแับตาไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอก ได้ความอดทนอดทนในการไม่ได้ยุงนะอดทนในการดูเวทนานะอืมเจ็บขานั่งคัตสมาธิเพชรนะี่ก็เจ็บขาก็ฝึกดูว่าจะนั่งได้นานขึ้นไห ม, มยุงกัดก็ฝึกดูว่าจะอดทนนนานขึ้นไหมนะอืก็คิดเหมือนกันโอ้ฉันได้นั่งห้องสบายๆไม่มียุงน่าจะดีกว่านี้นะเลยนะแต่หมายว่าก็ธรรมชาติเขาก็สอน ธรรมะเรานะเ น, นี่ยวตอนเนี้ยของเราอาจจะมีตอบตะปูบ้างมีเสียงอย่างอื่นบ้างถ้าเราก็เห็นว่าก็เขาก็ทํางานของเขาเนาะเขาทําก็ทําของเขาไปเราก็วางใจงเราไปก็ไม่ต้องไปทุกข์อะไรนี่คือเราอยู่กับโลกแบบนี้นแหละมันถึงจะไม่ไปทุกข์แต่ถ้าเราอยู่แบบอยากจะไปจัดการโลกเนี่ยมันจะทุกข์นี่ จัดการใจเราเองก็ที่จริงใจเราก็จัดการไม่ได้นะเปลี่ยนแต่วางใจให้มันถูกอย่าไปคิดจัดการใจแต่บางทีภาษตาก็อาจจะใช้ว่าจัดการใจให้เป็นปกติบ้างอะไรนะจัดการกิเลสในใจบ้างแต่จริงสติมันไปจัดการของมันเองไม่ใช่เราจัดจัดการด้วยอัตตาด้วตัวตนเนี่ยนะด้อยความชอบความไม่ชอบด้วยความอยากความไม่อยากนะ แต่สติมันมันปรับตัวมันเองนะี่มันจะดีอืก็ดีนะที่นี่มันก็ใกล้เมืองเลยนักนะแต่งคุณหมอถ้าจัดก็วันอาทิตย์ก็มาได้เลยมาเร็วๆแต่ถ้าไปที่อื่นเนี่ยก็นั่งรถไปเกือบเสียวเวลาเป็นวันนะไปกลับก็สองวัน อ, อันนี้ก็มาแค่สอง ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงละอืมก็สามารถปฏิบัตไิได้หลายวันขึ้นแต่แต่บางคนมันอยู่ใกล้มากบางทีโทรศัพท์มาตามก็กลับได้เร็วนะ <c oughs> <c oughs> แต่บางที่ถ้าไปอยู่ที่อย่างภูหลงเลยเนะี่ยไม่ค่อยมีขึ้นนะก็ตามไม่ได้หรือถ้าจะกลับก็คิดมากนะมันไกลลาบากนะก็ได้อย่างเสียอย่างอืม ก็ต okay. ้องจัดการจะเองก็อยากจะได้กลใหม่เยอะอยากก็ไม่อยากเมันไม่คุ้มตลาได้นัอ่ฟงมาได้ไงกุ่มเพจคอจกลุ่มมถ้าลองกล่มลองเล่าเลยลอนิหน่ก็ได้ ช่วงนี้ตกงานไม่ได้ตกงานตั้งเวลาวออกจนนายไม่ต้องการแล้ว <c oughs> ก็เลยออกว่ารู้สึกแก่แล้วขี้เกียจหางานก็เลยไม่ทำนะก็เลยลว่าจะปฏิบัติทำ <c oughs> ช่วงนี้ก่อนเพราะว่าล้างมานานล้างปฏิบัติทำมาเจ็ดปดปีคือปฏิบัติจะกวางเลยมาอยู่กับโลกตอนนี้ก็เริ่มใหม่ก็เพิ่งเริ่มได้สักสองเดือนกว่าๆช่วงแรกก็ไป แสเชียนมาสองครั้งแล้วก็ว่างก็ไปวัสนาใมในไปในสองเดือนเนี่ยล่ะไปเดือนละสิวันเนี่ยฮะเขจัดคอร์สให้คนธรรมดาสิบวัน<ม>ก็ไปนั่งสองเดือนเดือนที่สามเนี่ยเป็นเดือนพิารธรรมดานี่เว้นหน่อยพอดีมีพิการก็ช่วงว่างก็ไปวัสนาใมในก็ดีเจอพี่เมตตาคะแกบอกคุณหมอจัดคอร์สก็เลยอยากลองมาดูก็มาอืเดียเทียบทีน แค่แค่ด้แก้ไขแค่คนมากค่ะนั่งหลับไม่ได้จะมีต้นที่เลี้ยงมาส ก, กิดห้ามหลับค่ะไม่ให้หลับแก่ขนาดไหนก็ไม่ให้หลับแก่ขนาด<笑><笑>แก่ขนาดไหนก็ต้องเดินหรือไม่ก็ต้องทําจังหวะจะหยุดไม่ได้จะมีที่เลี้ยงก็จะแบ่งเป็นปนลุกมดูก็จะเดินมาส ก, กิทให้ทำเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วไม่กี่